หายปีก่อนนะตรงสาราหน้ามีแผ่นหินใหญ่แผ่นอ่แผ่นหนึง่ง เ, เขียนข้อความว่าที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักเดี๋ยวนี้แผ่นหินนั้นก็หายไปแล้วนะแต่ว่าที่นี่ตอนนี้กับตอนนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือว่า ไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักหลายคนแล้วก็คงได้พบเป็นครั้งแรกที่นี่แลก็ให้รับรู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นมิตรที่เราเพิ่งรู้จักและไม่ใช่แต่เฉพาะผู้คนเท่านั้นนะ สิ่งสารราสัตว์หรือธรรมชาติแวดล้อมนี้ก็ไม่ควรมองว่าเป็นสิ่งแปลกหน้าแปลกตาสําหรับเราอยากให้มองว่าก็เป็นมิตรนะของเราเหมือนกันธรรมชาติต้นไม้สิ่งสาราสัตวูที่นี่นะเป็นมิตรกับเราไม่มีอะไรที่น่ากลัว ถ้าจะน่ากลัวก็เป็นพอใจเราคิดปรุงแต่งไปเองอยู่ที่นี่นะในช่วงหกเจ็ดวันต่อจากนี้ไปพวกเราก็คงจะไม่ได้พบแต่เฉพาะเพื่อนใหม่เท่านั้นแต่ว่าอาจจะได้พบเพื่อนใหม่ที่เราได้พบนี่อาจจะไม่ใช่คนที่เราเห็นหน้าเห็นตากันเท่านั้น เราจะได้พบเพื่อนใหม่ที่สำคัญกับเรายิ่งก่อนนั้นนั่นคือตัวเราเองมีคนเป็นจานวนมากนี่ที่ไม่รู้ว่าตัวเรานี่แหละที่เป็นมิตรที่สำคัญที่สุดเป็นมิตรที่จะพึ่งพาอาศัยได้อย่างแท้จริง นอกจากไม่ไม่พบแล้วก็ไม่รู้จักนะว่าตัวเราหรือตัวเองเนี่ยเป็นม่ที่สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังทำยิ่งกว่า น, นั้นก็คือรู้สึกเป็นศัตรูกับตัวเองคนทุกวันนี้เนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งนะก็คือ ทนอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้ทั้งๆ ท, ที่เราบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่พอให้อยู่กับตัวเองกลับรู้สึกทุกข์ทุรนทุราย mm hmm. เวลาเรารักใครรักอะไรก็ตามเราก็อยากอยู่ใกล้กับคนนั้นอยู่ใกล้คนรักอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่อยู่ใกล้ลูกใกล้หลาน บางทีแค่จะจากไปวันสองวันก็เป็นทุกข์ด้วยความคิดถึงหลายคนรักรถนะก็อยากอยู่ใกล้รถไม่อยากให้รถพลาสายตาไปเลยบางคนก็รักพระเครื่องเอาพระเครื่องมามาส่องมาเช็ดมาถูมีความสุขที่ได้อยู่กับพระเครื่อง เป็นวันๆก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยจะเหตุใดนะเวลาเราบอกว่าเราเรารักตัวเองแต่กลับทนอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้เวลาให้อยู่กับตัวเองเนี่ยไม่มีเพื่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรศัพท์ติดต่อใครไม่ได้ทั้งทั้งที่ มีอาหารการกินรวมสมบูรณ์อยู่ในห้องที่สะดวกสบายแต่ ก, กับทุรนทุรายอยากจะหาทางนีออกไปไปเจอเพื่อนไปเที่ยวห้างหรือว่าไปพูดคุยกับคนทำอะไรก็ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่กับตัวเอง อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าถ้าว่ามันเกิดขึ้นกับเราก็แสดงว่าเราเถินห่างหมางเมินกับตัวเองต่ว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังทาและจะท้ที่ได้เคยทาและจะทาต่อไปคือการ วิ่งหนีออกจากตัวเองดิ้นรนขนขวาเพื่อเพื่อที่จะไปอยู่กับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองและนี่แหละน่ะเป็นที่มองความทุกข์ของผู้ค น, นมีนักปราชญาวฝรั่งเศสคนหนึ่งผู้ไวนาสนใจบอกว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลของมนุษย์เนี่ยมันก็เริ่มต้นหรือเกิดขึ้นมาจากการที่ คนเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียว g n e e ๆได้อย่างมีความสุขที่ทำกันทุกวันนี้นะก็ล้วนแต่เป็นการดิ้นหลนนะ่นเพื่อที่จะหนีจากตัวเองเพื่อไปหาสิ่งอื่นไปอยู่กับเสียงเพลงไปอยู่กับภาพยนตร์ดนตรีไปอยู่กับคนรักไปอยู่กับเกมออนไลน์ หรือว่าไปหมกมุ่นอยู่กับ f a c e b o o ทั้งหมดนี้ถ้าดูดีๆนะมันก็คือการหนีตัวเองแม้แต่บางคนก็หมกมุ่นกับการทางานไอ้ที่ทาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะอะไรอื่นแต่เพราะต้องการหนีจากตัวเองพอถ้าอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่นี่ก็จะกระสับกระส่ายหรืออย่างน้อยๆก็จะรู้สึกเหงา ทำไมเราต้องรู้สึกเหงาในเมื่อทำไมเราต้องรู้สึกเหงาถ้าหากว่าเรามีตัวเองเป็นเพื่อนเป็นเพราะาเราไม่ได้นับตัวเองเป็นเพื่อนนะเราจะรู้สึกเหงาแล้วก็อยากจะไปหาใครต่อใครบางคนก็อยากจะมีแฟนนะมีแล้วก็ไม่ได้มีความสุขเลยนะเพราะว่า แฟนก็ไม่ได้เอาใจใส่หรือว่าเคารพเธอเลยนะมีลูกของเพื่อนคนหนึ่งแกก็มาปรึกษาว่าจะยังไงดีนะผู้แฟนของเธอนีพูดกับเธอก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในตัวเธอเลยแถมไปคบกับผู้หญิงอีกหลายคนใจเอง ตัวเธอเองนะใจเองใจของเธอก็อยากจะอยเลิกจากเขาแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะว่าอยู่คนเดียวไม่ไหวทนอยู่กับตัวเองไม่ได้แต่ตอนหลังนี้เขาก็ทําไม่ดีกับเธอหลายอย่างเธอก็เลยเลิกไปเสร็จแล้วก็ยังหวนคิดถึงเขาอยากไปอยู่กับเขาอยากเป็นแฟนเขาทั้งที่รู้นะว่าเขาอาจจะ ทำกับเธอแบบเดิมแต่เธอก็บอกว่าอยู่คนเดียวมันมันทุกข์มากเลยเงาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเธอเลือกที่จะไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นอีกหรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะถ้าไปอยู่เขาก็คงจะทุกข์อาจจะทุกข์ยิ่งกว่าอยู่คนเดียวด้วยซ้าอันนี้เห็นเลยนะว่ า, าคนนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะเวลานี้เนี่ย ความทุกข์ที่สําคัญคืออยู่กับตัวเองไม่ได้จะต้องดิ้นรนแสบใส่ออกไปเพื่อที่อันนี้จากตัวเองทั้งๆที่รั่วข้างหน้ามันเป็นทุกข์แต่ก็หักห้ามใจไม่ได้คนเรานี่จะมีความสุขได้ง่ายมากเลยแล้วจะมีความสุขอย่า ง, างลึกซึ้งนะถ้าเกิดว่าสามารถจะกลับมาเป็นมิตรกับตัวเองได้ ความรู้สึกเหงานะจะไม่มาเยือนหรือถึงเหงาก็อยู่กับความเหงาได้คนเราเมื่อเป็นมิตกับตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นมิตกับความเหงาได้ง่ายเหลือเกินจะไม่รู้สึกทุกข์ทรมารความเหงาแล้วคนเราเมื่อรักตัวเองอย่างแท้จริงนะในการที่จะรักคนอื่นมันก็จะเป็นการรักที่บริสุทธิ์หรือว่าเป็นการรักที่แท้จริงเหมือนกันไอ้ที่รัก ใครต่อใครมากมายแล้วก็เลิกลากันไปทะเลาะเบาะแว้งกันไปอย่างที่เป็นข่าวนะเมื่อต้นเดือนก็มีข่าวนะดาราก็เตียงหักนะกับลูกเศรษฐีลูกนักการเมืองทั้งที่ปีทีปท่ปีที่แล้วก็ยังสวีทยังหวานชื่นคนเล่าคนเล่านะที่ไม่สามารถจะพบกับความรักที่แท้จริงได้ เพราะว่าเนื้ออื่นใดนะเขาไม่ได้รักตัวเองหรือเขารักตัวเองไม่เป็นนื่องจากว่าเราเป็นมิตรกับตัวเองได้เมื่อไหร่นะเรารักตัวเองได้อย่างแท้จริงความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะราบรื่นไปด้วยเมื่ถึงเวลานนะที่เราควรจะกลับมาเป็นมิตรกับตัวเองกลับมาค้นพบว่า ตัวเรานี่แหละนะที่เป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นที่พึ่งพาได้ตอนที่พระสุจ้านี่ใกล้จะปรินิพพานนะตอนนั้นพระองค์ก็อายุแปดสิบละร่างกายก็แกงง่งอมนะผิวหนังก็เหี่ยวย่นพระอนนทนะ์ซึ่งเป็นอุปถ า, ากตลอด25ปี เมื่อเราลึกว่าพระพุทธองค์จะชรากำลังชราภาพแล้วก็กลายปรนิพานก็มีความเสียใจนะพระพุทธเจ้าก็ตัดเตือนว่าอย่าไปหวังพึ่งพระองค์เลยนะเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบแล้วก็ได้แสดงออกมาได้แสดงได้สั่งสอนเนี่ยก็ได้พูดจนหมดสิ้นแล้วตลอด 45, สี 45, ส่สิบห้าพันศาแล้วพระเจ้าก็บอกพระนนท์ว่าเนี่ยให้เอาตนเป็นเกาะเอาตนเป็นที่พึ่งเกาะนี่หมายถึงเกาะอยู่กลางทะเลนะเอาตนเป็นเกาะเอาตนเป็นที่พึ่งเกาะเนี่ยมันเป็นที่ที่เดียวที่ปลอดภัยกลางทะเลมนุษย์เราเนี่ยก็เปรียบเส ม, มือนกับคนที่ลอยคออยู่กลางทะเล ตามใดที่ไม่รู้จักตัวเองไม่ค้นพบตัวเองไม่มีตัวเองเป็นเพื่อนนะก็คือคนที่ลอยคอยอยู่กลางทะเลกว้างใหญ่เมื่อแต่ก็ตามที่พบตัวเองมีตนเองเป็นมิตรเป็นเพื่อนรักตัวเองแท้ จ, จริงนะก็จะเปลี่ยนมาคนที่มีเกาะนะปลอดภัยกลางทะเลมีตนเป็นเกาะมีคนมตนเป็นที่พึ่งแล้วพระเจ้าก็ขยายความว่าก็คือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่ง นะเมื่อรักตัวเองการรักตัวเองแท้จริงคือการที่น้อมนำธรรมะมามาใส่ไว้กับตัวเองให้เป็นเนื้อเป็นตัวทั้งกายวาจาแล้วก็ใจถ้าหากว่ารักตัวเองแต่ไปไปแหวงไปหวังพึ่งพาสิ่งอื่นนะันจะเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองชื่อเสียงหรือแม้แต่คนรัก มันก็ยังไม่ใช่มีที่พึ่งพาอย่างแท้จริงนั้นต้องมีธรรมะธรรมะเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราค้นพบความสุขอันประเสริฐแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าห่างไกลจากธรรมะไม่รู้จักธรรมะเลยนะมันก็จะทให้เรากลายเป็นศัตรูกับตัวเองพระพุทธจ้าเคยตรัดว่า คนผ่านปัญญาสามย่อมทํากับตัวเองเหมือนกับเหมือนดังกับเป็นศัตรูคนพ่านปัญญาสามเนี่ยย่อมทํากับตัวเองเหมือนดังกับเป็นศัตรูก็คือทําร้ายตัวเองเพียงแค่กินเหล้าเมายาไม่มีสี่ข้อห้านี่ก็มันทําร้ายตัวเองนี่มากมายหลายประการแล้วทั้งทําลายสุขภาพตัวเอง ทำลายครอบครัวทำลายงานการและทำลายความปกติสุขอาจจะกลายเป็นคนพิการอาจจะกลายเป็นฆาตกรเพราะขับเพราะไปฆ่าคนด้วยความเมาไมายหรือขับรถชนโดยไม่เจตนาแต่เพราะว่าเมาไม้ก็ได้อันนี้เรียกว่าสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองจึงเรียกว่าทำกับตัวเองเหมือนกับเป็นศัตรูแต่ถ้าเกิดว่าเรานะพยายามน้อมนาธรรมะมา ใส่ไว้กับกายวาจาใจของตัวเองมันก็จะค่อยเปลี่ยนตัวเองเนี่ยจากศั ต, ตรูให้กลายเป็นมิตรการที่พวกเรามามาปฏิบัติมาเจริญภาวนาที่นี่เนี่ยนะมันก็คือวิธีการที่ทำให้เราได้มาเป็นมิตรกับตัวเองอยู่ที่นี่นะเราถึงแม้ว่าจะมีอ่า มีแบบแผนการปฏิบัตินะที่ที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะแต่ว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็เพื่อให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงที่ผ่านมาเร า, า จ, จะแทบไม่เคยได้อยู่กับตัวเองเท่าไหรนะ่อยู่กับงานอยู่กับผู้คนอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับเฟซบุ o กนะอยู่กับเนะกมออนไลน์ ด้วยความาสุขสนาบันเทิงและสิ่งเหล่านี้แหละยิ่งทําก็ทําให้เราเหินห่างจากตัวเองมากขึ้นการที่เราจะเป็นมิตกับตัวเองได้ต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีเวลาอยู่กับตัวเองมากๆอยู่กับตัวเองเพื่อทําให้กายและใจ เ, เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสังเกตไหมเวลาเราปฏิบัติเนี่ยใจมันจะพยายามที่จะออกไปนอกตัวอยู่เสมอ ออกไปลายไปอดีตบัง่งลอยไปอนาคตบ้างไปนึกถึงคนน้้นคนนี้ไปนึกถึงลูกรถขึ่นเสียงที่น่าพอใจใจมันพยายามที่จะหนีออกจากตัวเองตลอดเวลาจะให้มารับรู้อยู่กับกายรับรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้สึกเวลาเดินรู้สึกเวลาเคลื่อนมือมันไม่ยอมอ่ะมันจะพยายามหนีห่าง ออกจากตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดเรานะไม่ย่อท้อทํานะทความเพียรไม่วั่นใจจะพยายามออกห่างจากตัวเองเมื่อไหร่มีสติรู้ทันพาใจกลับมาจีรนอะน้อยจีลอน้อยเราจะพบกับความสงบนะแล้วเราก็จะพบว่าไอความทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราแท้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจาก ใจนะที่ไปแบกไปยึดไปช่วยสิ่งต่างๆมาอารมณ์ต่างๆที่เป็นลบนะเช่นความโศกความเศร้าความโกรธความหงุดหงิดมันเกิดขึ้นทีไรมันก็ทำให้ใจเราเป็นทุกข์มันทั้งเผานะทั้งทิ่มแทงทั้งกดทับจิตใจแต่ว่า สังเกตไหมว่าใจนะมันพยายามยึดพยายามเหนียวเอาไว้หวงแหนอารมณ์ต่างๆนะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจริงๆแล้วนี่ถ้าเรารักตัวเองนะยิ่งมันยิ่งมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเรายิ่งปล่อยยิ่งวางยิ่งสลัดนะเหมือนกับใบบัวใบบัวเนี่ยธรรมชาติใบบัวเนี่ยมันไม่มันไม่ค่อยชอบรับน้ําหนัก แต่เวลามีฝนตกลงมามีหยดน้ำมารวมกันอยู่ในใบบัวถ้ามากถึงจุดหนึ่งนะมันรู้สึกหนักเนี่ยใบบัวก็จะเริ่มสายไปสายมาสายไปสายมาเพื่อแไรเพื่อให้น้าเนี่ยมันไหลเทออกไปจากใบบัวธรรมชาติของใบบัวเนี่ยมันต้องการที่จะอยู่แบบสบายๆนะไม่ต้องการรับน้ำหนัก ไม่ต้องการแบกอะไรไว้แม้แต่น้ำนะมันก็ไม่อยากจะแบกถ้าน้ำมาสะสมมากนะมันก็จะค่อยหาทางไหลพยายามให้น้ำนี่มันเทออกไปแต่ใจเราไม่เป็นอย่างนั้นนะยิ่งเราโกรธใครเราก็ยิ่งนึกถึงคนนั้นได้วเวลามีความโกรธแล้วเนี่ยเราก็หวงความโกรธเอาไว้ ใครบอกให้ปล่อยให้วางมีเพื่อนบอกให้ว่าให้อภัยเขานะเรากลับไม่ชอบนะเรากลับโกรธเพื่อนที่ซ้านะว่าทำไมแนะนำเราอย่างนีนะ้แต่ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยมาเชียร์ให้เราโกรธพูดถึงความเลวของคนนั้นพูดถึงความไม่ดีของคนนั้นทำให้เราขุ่นเคืองใจทาเราเกลียดเขามากขึ้ น, นเรากลับชอบเขาทั้งที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการเติมฟืนเติมไฟ เผาล้นจิตใจของเราถ้าเรารักตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยเราก็ไม่ปล่อยให้ความโกรธมันมาคลองใจมาเผาล้นจิตใจเราแล้วยิ่งพยายามที่จะระบายถ่ายเทความโกรธออกไปพยายามที่จะหาน้ําเย็นมาดับไฟภายในใจเช่นการให้อภัยการแผ่เมตตาความเศร้าก็เช่นเดียวกันนะเมื่อความเศร้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะถ้าเรารักตัวเองเราก็จะพยายามที่จะ ระบายถ่ายเท ค, ความเศร้าออกไปแต่ว่าสังเกตไหมเวลาเราเศร้าเนี่ยหรือเวลาเพื่อเราเศร้าเนี่ยเขาจะนั่งจมอยู่ออกับความเศร้าเพื่อนชวนให้ไปโน่นไปนี่เพื่อที่จะได้ทําให้จิตใจสดชื่นเบิกบานไม่ยอมไปคนยิ่งเศร้าเนี่ยเวลาก็าฟังเพลงก็ฟังเพลงอะไรเขาไม่ได้ฟังเพลงสนุกสนานเพลงร็อกนะเขาฟังเพลงเศร้า เพื่อจะทําให้ความจิตใจนี่มันจมในความเศร้ามากขึ้นเหมือนกับว่าความเศร้าเป็นสิ่งที่เขาหวงแหนตำแหนงที่นั่นแหละคืออันตรายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทํากับตัวเมันกระดับเป็นศัตรูเหมือนกันนะพอพอเศร้ามากๆนี่ก็กลายเป็นซึมเศร้าไปซึมเศร้ามากๆก็่าตัวตายอย่างนักแสดงชื่อดังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วความโกรธเช่นเดียวกันเมื่อโกรธมากๆนี่เป็นไง มันไม่ใช่แค่เจิตใจรุ่มร้อนอย่างเดียวนะสุขภาพก็แย่ความดันขึ้นเป็นโรคหัวใจแต่ทําไมยังถนอมรักษาความโกรธเอาไว้ทําไมไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอย่างนี้จะเรียกว่ารักตัวอย่างแท้จริงไหมจริงๆแล้วเนี่ยรางเง้าของความทุกข์ใจทั้งมวลเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราวางจิตวางใจไม่ถูกพระพุทธเจ้าจัดว่าจิตที่ จิตที่วางไว้ผิดหรือว่าจิตที่อมรอบรมไม่ไม่ดีเนี่ยนะย่อมทําร้ายเรายิ่งกว่าศัตรูทําร้ายศัตรูด้วยกันเวลาศัตรูมาเจอกันนี่นะก็จะทําร้ายกันอย่างเรียกว่าไม่ไม่มีเมตตาปราณีเลยแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างจากการทําร้ายกันระหว่างศัตรูกับศัตรูเนี่ย มันก็ยังไม่มากเท่ากับจิตที่วางไว้ผิดนะฉะนั้นจิตที่วางไว้ผิดหรือจิตที่อบรมไม่ดีนี่มันสามารถจะทําร้ายเรานะยิ่งกว่าที่โจรกับโจรทําร้ายกันาการกลับมาทำให้เราเป็นมิตรกันเป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยสคัญมากแนะม้ทาให เราสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแม้ว่าสิ่งรอบตัวนะมันจ ะ, ะไม่เป็นใจกับเราไม่เป็นใจกับเราก็ตามแต่ถ้าเราสร้างสัตตงนติกับตัวเองได้เป็นนิตกับตัวเองได้ก็สามารถจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยโลกมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับใจเราไม่น้อยทีเดียวถ้าใจเราทุกข์ใจเราเศร้า เราก็เห็นโลกพลอยเศร้าไปกับเราด้วยถ้าใจเระเบิกบานเราก็ปลอยเห็นโลกเบิกบานไปกับเราถ้าเราเป็นคนชอบมองในแง่ลบเราก็จะเห็นแต่ข้อตําหนิอะไรต่ออะไรหยุดรอบตัวพูดได้ว่าโลกมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับใจของเรามีเรื่องเล่าว่าผู้หญิงคนนึ่งนะเช้าวันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลย ตื่นขึ้นมาเธอก็ออกกำลังกายในห้องนั่นแหละขณะที่ออกกาลังกายเธอก็มองออกไปนอกหน้าต่างก็ไปเห็นบ้านตรงข้ามเห็นเสื้อผ้าที่เขาเพิ่งซักเสร็จแล้วมาตากเอาไว้เธอก็พูดกับสามีที่กำลังนอนอยู่ในเตียงว่าเนี่ยแปลงหน้บ้านนี้ผ้าปูที่นอนก็ดีหมอนก็ดีนะผ้าหม่ม ซักไม่สะอาดเลย ท, ทั้งทั้งที่บ้านก็มีฐานนะไม่รู้ว่าซักเองหรือว่าใช้เครื่องซักผ้านะมันไม่สะอาดเลยสักอย่างสามีก็เฉยๆก็ไม่ได้พูดอะไรวันรุ่งขึ้นนะผู้หญิคนนี้ก็ออกมามาออกตื่นมาออกกาลังกายเหมือนเดิมมองไปที่บ้านตรงข้ามก็เห็นภาพคล้ายๆกับเมื่อวาน ก็บนนะ่นกับสามีนะว่าเสื้อผ้าที่ซักเนี่ยนะไม่สะอาดเลยเมื่อวานนี้ก็ทีแล้วนะวันนี้ก็ยังไม่สะอาดไม่รู้คนงานนี่เป็นพมา่าเป็นลาวหรือเปล่านะก็บ่นไปออกกำลังกายไปก็บ่นไปก็ไม่มีเสียงตอบจากสามีวันที่สามเพียงนี้ก็เหมือนเดิมลูกเมากกำลังกาย แต่พอมองมองไปนอนหน้าต่างก็เห็นเสื้อผ้าที่เขาตากเอาไว้บ้านตรงข้ามนี่คราวนี้มันสะอาดแล้วทั้งผ้าปูที่นอนทั้งหมอนทั้งเสื้อผ้าทั้งผ้าเช็ดตัวแปลกใจก็เลยถามสามีว่าเนี่ยนี่เธอไปบอกบ้านตรงข้ามหรือเปล่านะว่าที่ผ่านมาบางอย่างก่อนนี้เขาซักไม่สะอาดเนี่ยสามีก็พูดมาจากในบนเตียงนั่แหละเพราะเปล่า ไม่ได้บอกเขาเลยผมเพียงแต่เช็ดกระจกบ้านรา้อยสะอาดเท่านั้นแหละพอเช็ดกระจกบ้านสะอาดนะไอเสื้อผ้าที่ตากไว้บ้านตรงข้ามก็สะอาดไปด้วยใช่ไหมแสงวันที่ผ่านมาเนี่ยที่เห็นว่าบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสื้อผ้าไม่สะอาดเนี่ยที่จริงเขาซักสะอาดแล้วแต่กระจกบ้านเราต่างหากกระจกบ้านของเขาต่างหากบ้านของผู้หญิงคนนั้นต่างหากที่ไม่สะอาดแปลว่าแต่เธอไม่เห็นไม่รู้ ไปไปคิดว่าบ้านตรงข้ามนั่นเขาซักไม่สะอาดแต่เป็นเพราะว่าไม่ได้เช็ดกระจกบ้านกระจกหน้าต่างของตัวเองต่างหากหัวใจของเรานี่บางทมีมันก็ไม่ต่างจากหน้าต่างนะที่เราเห็นโลกไม่สวยงามเนี่ยหรือว่าเห็นโลกมันดูไม่น่าอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันยังมันไม่สะอาดก็ได้มันมีฝุ่น มันเครอะนะนแทนที่จะไปไปบอกไปเรียกหรือไปทำให้โลกนี้มั น, มนดีขึ้นเนี่ยเพียงแต่เราทำใจของเราให้สะอาดให้ใสก็พอเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยนะถึงแม้ว่าผู้หญิงเขาไม่รู้ว่ากระจกหน้าต่างของบ้านตัวเองเนี่ยสกปรกแต่ว่ายัางมีสา ม, มีเนี่ยคอยช่วยเช็ดคอยช่วยขัดให้มันสะอาดได้แต่ว่าใจของเราเนี่ยไม่มีใครช่วยได้นะ ถ้าจางเราสกปรกจางเรามันมีฝุ่นกิเลสหรือว่าอ่าอาสวะมันจับอยู่หนาเนี่ยมันมีใครเช็ดสะอาดได้มันมีแต่เราเนี่ยแหละหที่จะต้องเช็ดให้สะอาดการมเจริญสติคือการกลับมาดูใจของตัวกลับมาเห็นว่าไอ้กระจกแห่งใจของเราเนี่ยมันสะอาดหรือมันหมองมัว นะและบางทีเราจะพบว่าอ๋อที่จริงนะมันเป็นเพราะว่ากระจกของแห่งใจเราเนี่ย ม, มันมันมัวต่างหากเราก็เลยสาคัญผิดไปวา่าใครต่อใครไม่ดีอย่างงานไม่ดีอย่างนี้ทแท้ๆเนี่ยเขาก็อาจจะดีแต่ใจของเราต่างหากนะที่มันขุ่นมัวถึงตอนนั้นแหละนะันที่เราจะเห็นความสำคัญของการที่จะมาเช็ดใจของเราสะอาด ในเมื่อใจเราสะอาดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นโลกเห็นทุกอย่างภายนอกเนี่ยมันสะอาดมันสดใสไปด้วยยิ่งเรากลับมาดูใจของเราเท่าไหร่นะก็จะเห็นเลยนะว่าโอ้มันมีสิ่งที่ต้องขัดต้องถูเยอะเหลือเกินนับปฏิบัติธรรมจานวนไม่น้อยเนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมไปถึงจุดหนึ่งก็จะพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้น่ารักอย่างที่ตัวเองคิดเลยนะก่อนมาปฏิบัตินี่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยดีอย่างงวลดีอย่างนี้แต่พอมาปฏิบัติ เห็นความไม่น้นละของตัวเองหลายอย่างซึ่งแต่ก่อนมองไม่เห็นเพราะว่ามองออกไปนอกตัวตลอด เ, เมื่อใดก็ตามที่เรากลับมามองตัวเองนะกลับมาดูใจของเรามันก็จะเห็นว่าให้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยแท้จริงแล้วก็มันมีสาเหตุมีมูลมาจากใจของเรานั่นเองแต่เห็นอย่างนี้แล้วนี่จะไม่เสียใจนะกลับจะรู้สึกดีใจเพราะรู้ว่า ทางออกละไอการที่ไปเปลี่ยนคนไปเปลี่ยนสิ่งภายนอกไปเปลี่ยนโลกให้มันให้มันดีอย่างใจเราคิดเนี่ยมันยากแต่การที่เราจะกลับมาเปลี่ยนใจของเรากลับมาดูแลกลับม า, าขัดกลาจิตใจของเราเนี่ยมันง่ายกว่าจะให้คนอื่นมารู้ใจเรานี่มันยากนะทั้งที่ผู้คนก็อยากจะพากันร่ำร้องให้ใครต่อใครมารู้ใจเรา ให้แฟนรู้ใจเราให้ลูกรู้ใจเราอยากได้เจ้านายที่รู้ใจเราอยากได้ลูกน้องที่รู้ใจเราแต่ไม่เคยสนใจที่จะรู้ใจตัวเองเลยอะไรง่ายกว่ากันนะระหว่างการคาดหวังให้คนอื่นมารู้ใจเรากับการที่เรารู้ใจตัวเองเราไม่สามารถจะเลือกลองคาดหวังให้ใครมารู้ใจเราได้แต่การรู้ใจตัวเองนี้มันเราทาได้ง่ายกว่า แล้วก็สิ่งที่เรากําลังทำนะที่นี่นะตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยมันคือการพยายามที่กลับมารู้ใจตัวเองกลับมาขัดเกลาจิตใจของตัวเองกลับมาสร้างสันติกับตัวเองแล้วก็กลับมาเป็นมิตรกับตัวเองอันนี้แหละที่จะนําพาร้อยเพวกความสุขความสงบเย็น อ, อย่างแท้จริง อาล้วคำนี้ก็พูดกันทนน่นะกราบพร